ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องบารมีต้นกันบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทราบแล้วนี่ว่าบารมีคืออะไรขอยย้อนกันสักหน่อยดีไหมเพื่อว่าจะลืมไปบารมีก็คือกําลังใจยังไงลนะบรรดาท่านพุทธบริษัท อย่าลืมว่าความดีในพระพุทธศาสนานี่ขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียวเพราะท่านหลายยังคงจำได้ว่าคนเราถ้าตายไปแล้วที่ก็บอกว่าไปตกนรกไปเครื่องสวรรค์ไปพุทโลกไปนิพพานเขาไม่ได้ไปกันอย่างอื่นเข้าใจไปกันเพื่อไปกันด้วยกำลังใจ ตอนนี้สำหรับปรมีที่เราจะสร้างขึ้นไว้แล้วก็สร้างเพื่อไปไปไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไปสวรรค์ไปนิพพานไปพร่มไปทรงเดชไปตามที่เราจะพุงไปถ้าเราสร้างความดีไว้เราก็ไปในส่วนดีคำว่าเราในที่นี้คือจิตไม่ใช่กายเพราะไป สร้างความเร็วไว้เราก็ไปในส่วนของความเร็วเนื้อายภูมิเป็นต้นนี่ดีองค์สมเด็จพระทศพลทรงกล่าวว่าบารมีคือกำลังใจมีบรรดาท่านหลายเห็นความโง่ก็ตอตำมาไหมท่านหลายจนอยากคิดว่าคนที่เป็นครูท่านอยู่เวลานี้คือเป็นคนฉลาด แต่ที่แท้แท้แล้วองค์สมเด็จพระร่มมาโลกกันนาท่านบอกว่าจองโง่งโง่เพราะอะไรงโง่เพราะไม่รู้จักคำว่าบารมีมันคืออะไรเหมือนกับคนที่ขี่ควายคนที่ขี่ช้างไม่รู้จักวักจักว่าควายไปยังไงช้างไปยังไงขี่ดได้ใช้งานได้แต่ไม่รู้จักชื่อนี่ได้แก่อาตมาบรรดาท่านพุทธบริษัท นี่ขอเวลาสักวันเดียวไปปิดพัดลมอเสียงขาดไปนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาบันทึกเสียงเปิดพัดลมเขาไว้เสียงอู้มันจะเข้ามาใ น, เ, นเครื่องจะสร้างความมังคายกะบรรดาท่านผู้ถวริษัทเวลานี้เรามาพูดกันใหม่เอาตรงไหนแล้ววันนี้ทานบารมีเป็นทา น, นบารมีต้น เี่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราจะไปนิพพานกันถ้ายังไม่ไปนิพพานจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังได้จะเกิดเป็นเทวดาก็ได้จะเกิดเป็นพรหมก็ได้จะไปนิพพานก็ได้ตามใจบรรดาท่านพุทธบริษัทเลือกเอา ประเดี๋ยวจะมาหาว่ามันนั่งเกงกันพืไปพอดีผ่านไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปอย่าไปหรือไม่ไปก็ตามใจบรรดาท่านทั้งหลายแล้วมันดูทานบารมีกันก่อนปริองสมเด็จ ว, วชิณวรบรมศาสตร์สนาสัมมาสัพพุทธเจ้า เมื่อว่าถ้าทานละบรารมีเต็มแล้วองค์สมเด็จพระปฏิบแก่ทรงรับรองว่ามีหวังไปพรนิพพานได้แล้วเราก็านั่งพิจารณาท่านคำ ส, สอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเนื้อราชเง่าของกิเลสบรรดาท่านพุทธบริษัทคือว่าเป็นแม่บายของกิเลส นึกว่าทสีทั้งหลายที่เขาใช่ผสมสีอื่นเขาเรียกกันว่าแม่สีแต่ <c oughs> นี้แม่ของกินเล ก, ก็คือนึกว่ารากเงาของกินเลกตัวกินเลกจอมกินเลกก็แล้วกันจอมบงการของกินเลกก็ได้จากกินเลกสามเดยการคือโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง มีสำหรับโลภะความโลภองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำลายด้วยการให้ทานเนการให้ทานเป็นการสงฆ์เป็นการให้โลภเป็นตัวดึงเข้ามานี่เป็นศัตรูกันท่านี้ว่ากันถึงกิเลสสามเรือการมันก็เหมือนกับโต๊ะสามขา โต้ถ้ามีอยู่สามขาถ้าเราทำลายเสื้อขาใดขาหนึ่งได้แล้วอีกสองขามันก็ทรงตัวไม่ไหว <c oughs> มันก็ต้องสลายไปด้วยนี่เรามาดูการให้ทานที่องค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาสันดากล่าวว่าทำลายความโลกการให้ทานนี้หน้าตัวจะต้องแบ่งเป็นหลายระดับด้วยกัน ไม่เช่นนั้นการให้ทานก็จะไม่สมบูรณ์แบบนี่การให้ทานแบบย่อบรรดาทา่านพุทธบริษัทท่างหลายที่มีปัจจัยในกามาวจรสวรรค์มีองค์สมเด็จพระวิชิตมัยกล่าวว่าการให้ทานนี้มีจัดเป็นสามรายการด้วยกันอนี้แบบหนึ่งนะมันมีหลายแบบ เือหนึ่งถาจทานเวลาที่เราจะให้ทานเราก็ให้ของเลวกว่าของที่เรากินเราใช้ที่สองสหายทานเวลาที่เราให้เราก็ให้ของกับเสมอที่เรากินเราใช้อันดับที่สามสา ม, มีทานเวลาที่เราจะให้เราให้ของดีกว่าที่เรากินก่อนราใช้ นี่เป็นเครื่องวัดกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเราวัดใจของเราเองว่าเวลาที่เราจะให้ทานการให้ทานนี้ต้องให้เพื่อการสงเคราะห์อย่างเดียวไม่ให้เพื่อหวังผลตอบแทนไม่อย่าลืมบนบรรดาท่านพุทธบริษัทหรือท่านประโยคนขาวาจรท่างหลายผู้ประกอบความดีเพื่อความเป็นพระ คืเป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่ว่าเราให้ทานแล้วก็มันนั่งนึกทีหลังว่าเจ้าคนนี้เราให้ไปแล้วมางคนนั้นเราให้ไปแล้วแต่ให้ไปแล้วมันไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณไม่รู้จักตอบแทนเราสักทีถ้าท่านนันไลมีเจตนาในการให้ทานแบบนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สิงห์กล่าวว่าเป็นการให้ทานที่มีกําลังใจมันยังไม่เต็ม มีบารมีส่วนนี้ยังมีกำลังอ่อนอยู่และก็เป็นบารมีที่ดึงลงอบายภูมิง่ายท่านี้พ่อได้เพราะว่าถ้าเราให้ทานแล้วเพหวังผลในการตอบแทนในการตอบสนองถ้าเขาไม่ตอบสนองเราเราก็เกิดความกลุ่มใจความไม่สบายใจมันก็เกิด ถ้าความไม่สบายใจมันเกิดจิตมันก็โมหมองพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าจิตเตสังคินิเททุกขติปาติกลังขาก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจของเราเศร้าหมองแล้วก็มีหวังทุกคติทุขติไปไหนบ้างและบรรดาท่านพุทธบริษัท ต่อไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นเสือกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นคนก็หาความสุขไม่ได้ <c oughs> ในแบบนั้นเขาไม่เช่ว่าวป็นการให้ถือว่าเป็นการยืมไปตอนนี้เราให้กันด้วยความเต็มใจเราให้จริงๆเพื่อเิ็นการสงเคราะห์ทานตัวนี้ต้องมีจิตเต็มเปลี่ยมเพืนการสงเคราะห์ ว่าจะนให้เขามีความสุขจากวัตถุที่เราให้หรือว่ากําลังใจที่เราให้ถ้าเราให้บริการสงเคราะห์จริงๆแต่ถ้าว่าเวลาให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงถ้ากำมาขอเราเรายังต้องแบ่งไหมนี่ยังใช้ได้ไม่เอาไม่ให้นี่ดีเกินไปเรายังไม่ได้ใช้เรายังไม่ให้ ต้องให้กันในเฉพาะของที่เรายังไม่จับไม่ต้องการจะกินไม่ต้องการจะใช้มันเลวๆเราจึงให้ถ้าถามว่าการให้แบบนี้ดีหรือไม่ดีอาตมา ก, ก็ตอบว่าดีถ้าเกิดไปเป็นแในชาตินาเราก็เป็นมหาเศรษฐีได้อย่างอารีระเศรษฐี เกิดมาในสมัยองค์สมเด็จพระจินา์สีบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่อาลีและเศรษฐีคนนี้ใช้ของดีไม่ได้ผ้าผ่อนต้องสบายต้องเก่าซสียก่อนช้ำเสียก่อนจึงใช้ได้ของที่จกกินเข้าไปของดีจึงข้าวมาทุบวญยากแก่ก็กินไม่ได้ข้าวเต็มเม็ด เตี้เยเี้ก็บอกข้าวรอยเปอร์เซ็นแลเก้าสิบห้าเปอร์เซนแกก็กินไม่ได้ต้องกินข้าวหักกับปลายข้าวแต่ว่าแกก็เป็นมหาเศรษฐีได้ท่นี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาแต่แกพระอนุนว่าอา น, านันธาดูก่อนอนุน่อแกบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าพิฆเวยดูก่อนพิสุทั้งหลาย อาลีดเสเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้เพราะอาศัยการให้ทานเป็นสาคัญเพื่อการให้ทานของอาลีดัสเศษฐีนั้นให้ทานเป็นธาตุฐ า, านคือของดีไม่ให้ให้แต่ของเลวแ้่ก็ยังมีผลบรรดาท่านพุทธสาสนิกชนเกิดมาเป็นคนยังเป็นมหาเศรษฐีได้ก็เบ่งกายจบได้เหมือนกัน ในการให้ทานประเภทนี้องค์สมเ็จประสงค์ทันถือว่าบารมีอย่างต่ำเป็นบรารมีต้นนิองค์สมเจตระทศพลตรงเปรียบเทียบต่อไปถ้าเราให้ทานเป็นสหายทานให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์เวลาที่เราจะให้ให้ของดีของริงของใช้ดีสม่ำเสมอการที่เราให้ แล้วก็ให้ได้ความเต็มใจด้วยการสงเคราะห์ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดย่งนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคุกล่าวว่าทานของท่านจัดเป็นอุปรบรมีมีความแน่นแล้วอุปะแล้วเข้าไปใกล้มันแสดงว่าเดินเข้าไปหาพระนิพพานไม่ถอยหลังแล้ว เดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปทุกทีไม่ถอยหลังนี่ต่อไปถ้ากําลังใจของเราเนี้ดีขึ้นไปกว่านั้นเวลาที่เราจะให้ทานก็นดูไอ้ของนี่มันช้ำซะแล้วนี่ให้แล้วมันไม่ดีเขาจะตําหนิเอาในรายการหนึ่งไหนไห น, ไหนเราจะให้ก็ควรจะให้ของดีเพราะว่าคนทุกคนต้องการของดี ของบริโภคก็ไม่กันปกติเรากินน้ำพริกผักต้มได้แต่เวลาเราจะทำบุญแล้วเราจะให้ทานไม่ได้ต้องให้ของดีๆทำบุญดีของดีๆอย่างนี้องค์สมเด็จระชินาสีบรมารศาสนาตรัสว่าจัดเป็นว่าเป็นประมัตถารมีในด้านของวัตถุหรือกำลังใจ อย่าลืงว่าวัตถุที่มันจะไปได้ต้องอาศัยกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทดีการให้ทานอย่างนี้เป็นการเปรียบเทียบง่ายๆให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจว่ามันอาศัยกำลังใจอย่างเดียวมันจะเต็มหรือไม่เต็มดูกำลังใจของเราวัดที่วัตถุที่เราให้แล้วว่าดูกำลังใจของเราว่าเรามีความห่วงใยในทานของเราไหม ให้แล้วเราหวังผลตอบแทนบ้างหรือเปล่าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่หวังผลตอบแทนให้โดยการตัดขาดและให้ของดีได้อย่างนี้เป็นอันว่าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีกำลังเต็มตามสมควรนี่มีความเต็มพอใช้ได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย และก็ยังก่อนนี่มันเต็มกันแค่วัตถุแต่ทานที่มีสาคัญยิ่งไปกว่านี้อีกทานหนึ่งนั่นคือทานที่ไม่ต้องลงทุนทานจุดนี้เป็นทานอะไรบรรดาทา่านพุทธบริษัททั้งหลายคืออภัยทานทานตัวนี้มีความสาคัญมากแต่ก็ต้องบวกกับวัตถุเหมือนกัน วัตถุทานเราต้องให้แต่ว่ากำลังใจในการให้อภัยก็ควรจะมีว่าทานประเภทนี้นอกจากว่าจะเป็นทานที่มีกำลังสูงส่งและไม่ต้องลงทุนแล้ ว, ลวองค์สมเด็จพระบรมทีพแก้วบอกว่าบวกเดินนอดเมตตาบารมีนี่เป็นอันว่าการให้ทานทั้งทีนะบนบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้ากำลังใจในการให้ทานของเราเต็มท่านหลายจึงอยากคุณคิดว่าระยะมีผลแต่ทานบา ร, รมีเท่านั้นการให้ทานคราวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทบา ร, รมีสิบประการรอบร้อมเข้ามาครบหมดนี่จะที่บายให้ฟังเพื่อความเข้าใจง่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัท ก็คือว่าเรก่อนที่เราจะให้ทานเราก็ลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีจิตสงสารไม่ปราถนาในการสงเคราะห์ในในการให้ทานจริงๆนะไ ม, นกกไม่ใช่ให้ทานเพื่อกู้และก็ไม่ใช่ทานเพื่อหวังผลตอบแทนเราให้เพื่อการสงเคราะห์เป็นการตัดจริงๆ การให้ทานเราจุดนี้เราต้องการตัดกิเลสคือโลภะความโลภเพราะโลภเป็นตัวดึงเข้าทานเป็นตัวขยายออกนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทจําตัวนี้ไว้ให้ดีตัดความดึงเข้าไอ้การดึงเข้าเนะี่ยเป็นการก่อสร้างศัตรูหนะักแต่ว่าการขยายออกนี่เป็นการสร้างมิตรอย่างหนะัก คนให้ทานมีคุณมีประโยชน์มากแต่้าว่าจะไปหวังผลถ้าะคนรับทานแล้วจะเป็นจิตทอรายชนคือทรยศต่อกุคนผู้ให้ก็มีอยู่เช่นองค์สมเด็จพระบรมครูให้แก่พระเทวทัตให้ทุกอย่างให้ทั้งวัตถุให้ท่างกำลังใจเพื่อคนจังไรยบระเภทนั้นไม่รู้สึกในคุณของพระผู้แเจ้า มีการให้ทานเราก็จะไปสนใจกับการตอบส น, นองการรู้ขุนเราต้องการอย่างเดียวคือตัดกิเลสได้กัโลภะความโลภเนี่ย <c oughs> แต่มาได้บอกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมาในตอนต้นแล้วว่าการให้ทานถ้าเราตัดความโลภได้ตัวเดียวความโกรธกับความหลงอีสองตัวมันก็พังไปด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่พังหมดแต่ถ้าว่ากำลังของมันก็น้อยเกินไปจะเหลือแต่เพียงอนุสัยเท่านั้นนี่มันเป็นยังไงและบรรดาจำพุทธบริษัททั้งนี้เป็นแบบนั้นได้จะอธิบายให้ฟังโดยยอดจะได้ไม่ยือดอยาดนักกายันการให้ทานเพื่อหวังในการสงเคราะห์หวังแตกความโลภจากจิต อันนี้เจะเป็นกําลังใจตามที่องคสมเด็จพระธรรมสามิตรมีความประสงค์ที่เรียกว่าบา ร, รมีนิทานบา ร, รมีนี่ในเมื่อเราให้ทานเพราะอาศัยมีความรักมีความสงสารเป็นปัจจัยถ้าเราเกลียดแล้วเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะเรายังไม่ใช่พระอรหันนี่เวลานี้เรายังบำเพ็ญบา ร, รมีอยู่ จะไปเอากำลังใจเท่าองค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่ากำลังใจเท่าพระราหารันนะเป็นไปไม่ได้นี่ก็ลองคิดกันดูว่าถ้าเราเกลียดเราจะให้ได้ไหมไม่ได้แน่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะว่าแต่ละวัตถุเลยแม้แต่กำลังใจที่คิดจะให้มันก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ นีการให้ทานเราต้องบบกอะไรเข้ามาบ้างก่อนจะให้หวังในการสงเคราะห์หวังในการเกือ้อกูลก็อาศัยความรักความสงสารเป็นสำคัญนี่ความรักความสงสารเป็นอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเป็นเมตตาบารมีเห็นได้อยังนี่เราจะให้ทานแล้วเมตตามันเข้ามาค้ําจุน ถ้ามาประทับแต่ของนี่เป็นสองบา ร, รมีเขาควบกันแล้วมีคนนื้ในเมื่อเมตตาบา ร, รมีปรากฏมีเมตตาแล้วอะไรมันตามมาอีกบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตัวเมตตาเกิดขึ้นแล้วศีลมันก็ปรากฏเพราะศีลจะมีกับใครได้นั้นต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐาน มีการให้ทานเรามีทั้งเมตตาทั้งกรุณาทั้งสอนประการคือรักและสงสารในเขาสิงหก็วิ่งเข้ามาช่วยประคับประคองในทานเขาไปอีกจุดหนึ่ง <c oughs> อันนี้การให้ทานของเรา น, นาี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราต้องการตัดโลภความโลภระหวังผลิพานเป็นปัจจัยเราไม่ได้หวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจิตมัก็บริสุทธ ในการให้ทานตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราชายผู้ชายให้ทานกับสตรีสตรีให้ทานกับชายเพื่อหวังในการการร่วมรักในกามารมณ์มันก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพื่าเราให้เพื่อสงเคราะห์ไม่ใช่ซื้อความรักในการให้ทานให้วัตถุตั้งนี้เนื้อคมะบรมีคือการถือบทในกำลังใจมันก็ปรากฏ เนคขมะที่เขาจะตัดกันได้คือในขั้นต้นเขาตัดมีวนห้าเพศกันคือหนึ่งความรักและน่ากลามารมณ์สองความโกรธเรามีเมตตาเสร็จแล้วจะโกรธยังไงล่ะเือสามอารมณ์อ่สามตัวง่วงเราไม่พูดแล้วตั้งใจจะให้ทานมันจะง่วงตรงไหน เนี่ยก็สี่อารมณ์จิตฟุ้งซ่านเราตั้งใจเว้นแล้วว่าเราท่องรักทัท้งพงสารจิตมันตรงแนวมันจะฟุ้งซ่านไปไหนห้าความสงสัยในในคธรรมะคือคือว่าา น, นิวรห้าประการมันก็ไม่ปรากฏพอเราเชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าการให้ทานเป็นการตัดความรวกเป็นปัจจัยพอในผลิผันกำลังใจเรามันเต็มไปแล้ว เราสงสัยเราจะให้ยังไงที่เราไม่สงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นไหมบรรดาท่านผู้ตบริษัทการให้ทานคราวเดียวเอาเนตรขมมะบา ร, รมีวิ่งขมชนเกาอีกเป็นสี่บา ร, รมีแล้วมีอีกบา ร, รมีหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบพเทียร์แก่บอกว่าปัญญาบา ร, รมีลองมาคิดพิจารณากันดูให้ทีว่าคนโง่นะจะมีใครให้ทานไหม คนโง่งเขาไม่ให้ทานละบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เสิยดายของเพราะถือว่าของก็เขาหามาได้โดยยากไม่มีใครก็ให้ไม่มีกินไม่มีใช้ก็เชิญที่ตัวอยากไม่หาทําไมแต่คนที่ให้ทานได้ต้องอาศัยเป็นคนมีปัญญาเอาปัญญาเข้าไปพิจรนารณาในตอนต้นเอาแบบต่ำๆกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เอาตอนต่ําติว๋วเรียว่าต่ํามากที่สุดมันก็คือเรามาพิจารณาว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เป็นการปกมิจทำจิตให้มีความเป็นสุขเราไปทางไหนก็ตามถ้าเรามีเพื่อนมากมีคนเป็นที่รักมากเราก็มีความสุขเพราะอันตรายมันน้อย นีหวังผลกล่าวคือป้องกันอันตรายทําใจให้เป็นสุขให้มีความอยู่เป็นสุขและการให้ทานเดิมนาจเมตตาบรมีเป็นผู้นําการให้ทานเนี่ยต้องมีเมตตาบรมีเป็นผู้นําถ้าขาดเมตตาบรมีนําแล้วการให้ทานนี้ไม่ได้ในเมื่อเรามีแต่เมตตาจิตคนที่จะคิดปัทุกสายกันน้อยเป็นที เว้นไว้แต่คู่ร้อยพระองค์สมเด็จพระจินศรีคือเทวทัตหรือเผ่าพัานธุ์ของเขาเท่านั้นนี่ปล่อยเข้าไปบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านนี่ถ้ามีปัญญาสูงไปกว่านั้นเขาก็คิดว่าการให้ทานนี่เป็นการทําลายความโลภเป็นการทําลายความเกิดที่จะมาสู่ผลให้รับผลความทุกข์ตอไป มีคนที่มีปัญญาใหญ่เขาก็จะพิจารณาอย่างนี้ฉะนั้นการให้ทานสักทีก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเอาฤศิบรรดาแทนพุทธบริษัทปัญญาบา ร, รมีก็มากับทานอีกแล้วอีกวราไมดีหนึ่งที่องค์สมเด็จพระไวทีแก่วบอกมีวิริยะบารมีแปลว่าความเทียง มีคนที่ยั้ทานในระยะแรกๆที่มีเวรมีอย่างอ่อนถ้าไม่มีความเพียงเข้าไปตัดมัจฉริยะความตนันนีคือความขี่เหนียวความห่วงแหนี่ทรัพย์สินของตนอันนี้จะาามารับรองผลเลยถ้าไม่มีความเพียงตัดไอตัวนี้ให้ทานไม่ได้ต้องใช้ความเพียงเข้าไปตัดมัจฉริยะคือความตนันนีเหนียวนั่นให้สลายตัวไป ไม่อย่างนั้นทําไม่ได้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เลยการหนึ่งคนที่ต้องใจตั้งใจจะให้ทานหวังผลในทานบา ร, รมีถ้าเราจะให้ทานวัตถุเราก็ต้องเพียรหาวัตถุเข้ามานิเวศนิยะบา ร, รมีก็ตามมาแต่หาว่าเราจะให้ทานเป็นอภัยทานคือกําลังใจไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครเราก็ต้องมีความเพียรตัดความโกรธตัดความพยาบาม นี่เป็นอันิการให้ทางครั้งเดียวบรมวิทยาบรมีวิ่งตามเข้ามาอีกแล้วต่อไปบรมีีิองสมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าขันติคือความอดทนตัวนี้เป็นตัวสําคัญวัตถุทานที่เราจะได้มาบรรดาท่านพุทธบริษัทุกท่านเราต้องหามาด้วยความเหนื่อยยากเราหามาด้วยความลําบากอย่างยิ่ง กว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจะมีเงินจะมีของต้งเน็ดหน่อยด้วยการทั้งปวงนี่ถ้าเราไม่อดทนในการหานะก็เราก็ไม่มีวัตถุในการให้ทานนี่เรื่องของทานคันติบรมีวิ่งเข้ามาอีกชั้นหนึ่งตอนนี้คันติความอดทนที่ต้องเสียทรัพย์สินที่หามาได้โดยยากนี่มันมีความสำคัญมากบรรดาท่านพุทธบริษัท แต่ขาดคันติบรารมีได้หยิบอะไรไม่ได้ความอดทนคิดว่าแหมของสิ่งนี้ซื้อมาแพงกว่ารยายมีเงินซื้อก็มีแต่ความละบากมีความยุ่งยากในเรืการทั้งวงจะให้เขาทำไมเนาะใจมันไม่สบายตอนนี้ก็ต้ขคันติเข้าข่มใจอดทนเขาไว้วันนี่เราอดเปรี้ยวเพื่อกินหวาน เราให้วัตถุทานเพื่อหวังเพื่อชึ่นพระิพานซึ่งมีความสุขในเบื้องหน้าหรือถ้าแยกแยะกันโดยย่อ ก, ก็คิดว่าเราให้ทานนิหวังผลในความร่ำรวยอย่างอารีระเศรษฐีหรือทานนางส ก, กุโสทานนางเราให้ทานนิเราต้องการไปสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสบาย นี่กำลังใจต้องมีความอดทนต้องมีปัญญาเข้ามาปลอบกำลังใจเรามีวิทยะความเพียงเข้ามาข่มขีวิมัชย์ะความตะหนิให้ที่นาฏไปมีบา ร, รมีต่อไปสัจบา ร, รมีนี่เราตั้งใจไว้แล้วนี่ว่าเราจะให้ทาน เราทำกิ่กายงานทั้งหมดเพื่อรวบรวมทรัพย์สินจะบริจาคทานเพื่อหวังพระนิพานเพื่อหวังสวรรค์เพื่อหวังพรเพื่อหวังความเป็นมนุษย์ที่ร่ารวยเราก็ต้องให้ให้ได้เราจะไม่ยอมเสียสะจะความจริงใจเอาคนแล้วมีการให้ทานตัวเดียวครอบสละาบารมีก็ให้ อธิษฐานบารมีตัวที่ตั้งใจไว้ว่านี่เราจะต้องให้ทานเพื่อเป็นการทําลายความโลภให้หมดไปจากใจหรือว่าเราจะให้ทานเพื่อความอยู่เป็นสุขในชาติปัจจุบันหรือว่าเราแย่ทานเพื่อประความปรารถนาบอกผลของทานนี้นั้นสามารถจะส่งผลเราไปสวรรค์ได้ ตามมีองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าทานนางสัตวโสทานังท า, านย่อมเป็นบันไดให้ไปสวรรค์นีเราตั้งจิตอธิษฐานไม่แล้วว่าคุณธรรมนางสามรายการคือหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์ทิ้งฝีความร่ํารวยเกิดเป็นเทวดาด้วยข้าพนิพานตั้งจิตอธิษฐานไม่แล้วว่าเจดมาชาตินี้ต้องจัดเอาจุดนี้ได้จุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการ เมื่อทรงจิตได้ฐานตั้งใจไว้จริงๆปักหลักให้ตรงเปนอย่างนี้มันจริงจะให้ฐานได้ถ้ากำลังใจของเราไม่มีที่คิดแล้วมันมีความโลเลไม่ตั้งจิตตรงไว้ในการก่อนเมื่อปรารถนาในการให้ทานผลของทานมันก็จะ ก, กลายเป็นทานอะไรละ่ะเป็นศรัทธาหัวเต่าปลุกเข้าปลุกออกดึงออกมาแล้วก็กลับยัดเข้าไปใหม่ นี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการให้ทานตัวเดียวอดิฐานน้ำบา ร, รมีก็วิ่งกับอีกเหลือตัวเดียวละอโอเบขาบา ร, รมีออเบขาบา ร, รมีตัวนี้จะเข้ามาสนับสนุนตรงไหนตรงที่ให้ไปแล้วที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเกิดความขัดข้องใจอะไรมันเกิดขึ้นเงินลมมีอยู่ห้าร้อยบาท เราให้ทานไปแคยี่สิบบาทมันเหลือสี่ร้อยแปดสิบตอนนี้จิตที่มันจะพึงต้องทำไม่ได้คิดไว้มันเกิดขึ้นมาใหม่ว่าจำเป็นจะต้องใช้เงินสักห้าร้อยบาทโดยจิตพวงเรานี้เชื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกานาตว่าทานเป็นผลของความสุขความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นแล้วี่สตางยี่สิบบาทนี่มันไม่พอนี่ถ้าเราไม่ให้ทานไปเสีย เราก็มีใจพอดีแต่นี่บังเอิญในกิจนี้มันมาที่หลังให้ทานไปเช้ก่อนเราเชื่อองค์สมเด็จพระจินบวรถือว่าช่างมันเถอะความลำบากเป็นแค่ยี่สิบบาทไม่เป็นไรในไหนเราก็ตั้งใจไว้แล้วความทุกข์ร้อนนิดหน่อยมันจะเป็นไรไปเพราะผลที่เราให้ไปมันมีประโยชน์มากกว่านั้น ถ้าบุญบรารมีของเรายังอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวัฏฏะของสารแล้วก็จะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ถ้าบรารมีเขาดีขึ้นไปหน่อยแล้วไซเราก็สามารถไปเกิดบนสวรรค์ได้อัลัยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพูดเรื่องของทานก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ได้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูนผลจงมมีแดบ่บรรดาทนุกภาษาทุกนิสัยทุับฟังทุกท่านสวัสดี